ก็สำหรับเช้าวันนี้โยมที่มาจากงเทพก็จะได้เดินทางกรับก็สำหรับการมาที่นี่ถือว่ามาศึกษามาศึกษาไม่ใช่มาเอาถ้ามาเอาจะไม่ได้แต่ถ้ามาศึกษาจะจะได้มาศึกษาสองเรื่องเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจ ถ้าเราชำนิชำนาญสองเรื่องนี้ก็หมายความว่าเราก็ชำนิชำนาญในเรื่องอื่นได้ไม่ยากเพราะสองเรื่องนี้มันเป็นต้นต่อของสปปรรพสิง่งนะื่องลูกคือในส่วนที่เป็นสสารนา้ำก็เป็นในส่วนที่เป็นพลังงานสารพลังงานก็เป็นส่วนที่ประกอบของทุกอย่างเพราะฉะนั้น ใ น, ในการรู้ลูกรู้นามคือรู้ปัจจุบันนั่นแหละคือรู้ปัจจุบันไปบ่อยๆสํารวจตรวจสอบว่าเรายังอยู่ในปัจจุบันไหมถ้าอยู่ในปัจจุบันรู้ตาเท่าที่เห็นหูเท่าที่ได้ยินเสืมูกเท่าที่ได้กลิ่นดินเท่าที่ลิ้มรสกายเท่าที่สัมผัสจิตเท่าที่รู้ถ้ารู้แค่นี้เรียกว่ารู้นามแล้วแต่ถ้ารู้เกินไปกว่า น, นี้ มันเป็นนามรูปนามรูปหมายถึงว่าส่วนต่อขยายจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่สัมผัสที่รับรู้ต่อขยายออกไปมันก็เป็นนามรูปก็เป็นความคิดนี่การที่ความรู้ของเราจะจํากัดอยู่แค่อายัตนาทั้งหกเนี่ยนั้นก็ดูเรื่องมีการฝึกฝนถ้าไม่มีการฝึกฝนเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาได้อายตนะทั้ง6มาก็เพราะความไม่รู้นั่นแหละถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้เกิดมาได้อายตนะทั้ง6เราก็ไม่ได้มาทุกข์หรอกแต่ที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้อายตนะทั้ง6ก็ได้มาเกิดกับเราใหม่อีกถ้าถ้าหากว่าเรายังไม่มีการพัฒนาได้วิปัสสนาญาณการต่อขยายของรูปนาม มันก็เป็นการขยายภพชาตินั่นเองคือนะการต่อขยายเนื้อหมายถึงเป็นนามรูปแต่ถ้ามันรู้เท่าที่มันรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัจตะวารู้มันก็เป็นรูปเป็นนามเฉยๆรู้สัจตะวารู้เห็นสัจตะวาเห็นได้ยินสัจตะวาได้ยินนี่พุทธยถาตรัดกับท่านพาหิยะทารุจิริยะนะ ไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดเดาเองในขั้นวสัตวว่าเนี่ยในญาตนาหเนี่ยญาตนาที่หลักๆที่มันเป็นเหตุหลักมีอยู่สามคือตาเห็นหูได้ยินใจรู้อีกสามนั้นเป็นส่วนรองกลิ่นรสสัมผัสเป็นส่วนรองแต่ตาเห็นหูได้ยินใจรู้เนี่ยเป็นหลักเพราะฉนั้นท่านจึงเอาแค่สามอย่างว่าเห็นสัตว์เห็น ได้ยินสึกต่ว่้ยินรู้สึกต่ว่ารู้นะถ้าหากว่าคุมสติคุมแค่3มส่วนนี้ได้อีกสามส่วนก็คุมได้ง่ายแต่ถ้าสติจัดการทั้งสส่วนคุมทั้งสาส่วนรู้ทั้งสาส่วนนี้ไม่ได้อีกสามส่วนก็คุมไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดของเราที่มันจะต่อขยายเป็นนามรูปคือกลายเป็นความคิดเนะี่ยมันก็ต่อขยายจากสามส่วนหลักนี้แหละ นัานถามว่ารู้รูปนามไหมก็เหมือนถามว่ารู้ปัจจุบันหมรู้ปัจจุบันก็เหมือนถามว่ารู้เท่าที่รู้ไหมถ้ารู้เท่าที่รู้ไม่มีปัญหาพพชาติจะดับทุกขณะอิพานปรากฏทุกขณะสวรรค์ก็ปรากฏทุกขณะแต่ที่มันไม่รู้เท่าที่รู้เนี่ยมันมีปัญหาต่อพบต่อชาติไปเรื่อยๆต่อสวรรค์ต่อนรกไปเรื่อย ต่อมนุษย์ต่อใบภูมิไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าพื้นภูมิของเราเนี่ยมันจะสั่งสมมาทางไหนถ้าสั่งสมมาฝ่ายกุศลมันก็ต่อภูมิไปทางที่ที่เป็นสุขติถ้าพื้นภูมิของเรามีอกุศลเยอะมันก็ต่อขยายไปสู่พื้นภูมิที่เป็นอบายหรือทุกขติแค่นี้หลักๆมันเพราะฉะนั้น เมื่อเรายังไม่พบหลักวิปัสนาที่ถูกต้องเราก็เจริญคุณงามความดีด้านศีลธรรมด้านจริยธรรมไปซึ่งถ้าหากว่าเราได้พบวิปัสนาที่ถูกต้องเราก็พัฒนาคุณธรรมศีลธ ร, รรมขึ้นไปเป็นปรมัต ธ, ธรรมท่านเองเเการพัฒนาปรมัต ธ, ธรรมก็คือจากัด ตัวรู้อยู่แค่รูปแค่นา้ำแล้วก็เป็นปรมัตทันทีแต่เนื่องจากว่ามันต่ำกว่ายีปเซการรู้ปัจจุบันน่ะมันต่ำกว่ายีปเซมันจึงเป็นปรมัตที่ไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาอยู่ปรมัตที่เป็นสัญญามันก็จะอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเดี๋ยวก็ลืมที่เป็นสัญญาก็เพราะที่มันไม่เป็นปรมัตได้เพราะอะไรยังเป็นสัญญา ก็เพราะว่ามันอยู่ในชลาเขตของชลาธรรมเขตของไตรลักษณิจังทุกขณาตายอยู่แต่ถ้ามันรูป ร, รู้นามเกินยีสิบเปซนขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่เขตของปรมัตุขเข้าสู่เขตของถึงจะไม่ถาวรแต่ว่ามันก็เพิ่มนีมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสมมตุติเรียกบุคคลผู้เช่นนั้นว่าพระโสดาพระโสดาบัน คือการรู้รูปรู้นามคงที่25ปเซน์ขึ้นไปหมายถึงคงที่ด้วยนะจะอะไรเกิดขึ้นก็นตามพระโสดาบันจะรู้เรื่องรู้รูปนามได้ถึง25ปแต่ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่าโสดาบันก็มีสองคือโสดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลไงโสดาปฏิมัก็หมายคืว่า มันคงที่อยู่แค่15ปเซนแต่ในช่วงที่พัฒนาอยู่เนี่ยพัฒนาจาก5เปซ็น์เป็นขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าโสดาปฏิมานะแล้วก็คงที่เป็นโสดาปฏิผลนะถ้ามันยังไม่คงที่มันขึ้นๆลงๆอยู่มันก็เป็นมาร์กอยู่ แล้วก็ปรับอารมณ์รูปนามนี้ไปเรื่อยๆโสตปัญะหรือโสดาบัญไปว่าเข้าถูกกระแสกระแสของอะไรกระแสของรูปของนามนะเข้าสู่กระแสปัจจุบันโสตตัวนั้น <c oughs> ทีนี้เราจิตจะเข้าสู่กระแสปัจจุบันได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่ความเพียร ขึ้นอยู่กัสติสมาธิปัญญาห้าตัวนี้เท่านั้นถ้าศรัทธามีความเพียรก็จะถ้าความเป็นศรัทธาที่ถูกนะ <c oughs> ถ้าเป็นศรัทธาที่ผิดก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะศรัทธาที่ถูกจะต้องนำไปสู่ความเพียรเท่านั้นแต่ถ้าศรัทธาที่ผิดมันจะไม่นำไปสู่ความเพียรถามว่าช้าวานทั่วไปก็มีศรัทธามีเขา ท, ทาบุญกินทานมาตลอดชีวิตเขามีศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่เป็นไปเพื่อ ที่ศาสนาหรือมรรคผลไหมไม่ใช่เป็นศรัทธาต่อโลกต่อโบดต่อหลงศรัทธาต่อสวรรค์ศรัทธาต่อมนุษย์เป็นศรัทธาแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออริยสัจคาว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาต่ออริยสัจคือศรัทธาที่จะเห็นทุกข์ศรัทธาที่จะรู้จักเหตุเกิดทุกข์ศรัทธาที่จะดับทุกข์ศรัทธาที่จะหาวิธีการดับทุกข์อยู่ตลอด นั้นเขาต้องเป็นศรัทาประเภทนั้นถ้าศรัทธานั้นยังไม่เข้ามาสู่เขตแดนของอริยสัจศรัทธานั้นก็ไม่ศรัทธายังไม่เป็นศรันาในพุทธศาสนาแต่เป็นศาสนาเป็นศรัทานอกพุทธศาสนามีโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องต้องแยกให้ออก ถ้แยกไม่ออกอยู่นี่เราก็เจะงงสงสัยว่าเอ๊ะนะคนเขาก็มีศรัทธานะเขาก็ทําดีนะเขาก็ให้ทานรักษาศีลประจําแต่ทําไมเขายังยังไม่รู้อะไรเขาก็เป็นคนดีนะแต่ทําไมเขาไม่รู้ล่ะเพราะศรัทธาตอนนั้นเขาเป็นศรัทธาในระดับโลกียะไม่ใช่ศรัทธาระดับโลกุตระศรัทธาในระดับโลกียะต้องศรัทธาในอาการที่ทําสมาธิที่ให้สมบูรณ์นะ ที่จะทำสมาธิธิให้สมบูรณ์และสมาธิธิก็คือมารู้ทุกขอย่างถูกต้องมารู้เหตุเกิดทุกอย่างถูกต้อ ง, ม า, ออา ง, องมารู้การดับทุกอย่างถูกต้องมารู้วิธีการดับทุกอย่างถูกต้องนั่นศรัทธาที่เป็นโดภุตระก็จะเปลี่ยนไปตรงนั้นเพราะนั้นเองในภาคปฏิบัติมันไม่มากนะไม่มากภาคปฏิบัติก็คือมาดึง สติสมัมปญญะมาเฝ้าดูรูปดูนามอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองมันง่ายง่ายแต่ทำไมเราจึงพูดไปเย อ, อมากมายหลายเรื่องก็เพื่อที่จะให้เกิดศรัทธามั่นคงนั่นเองนะถ้าศรัทธาไม่มั่นคงเนี่ยมันไปต่อไปสู่ความเพียรไม่ได้ต่อไปสู่สติสมาธิปัญญาไม่ได้ยิ่ศรัทธาก็มั่นคงสองระดับมั่นคงในระดับโลกียะ มั่นคงในระดับโลกุตระศรัทธาระดับโลกิยะที่มั่นคงอย่างสูงสุดก็คือไปเกิดเป็นพรหมคือบำเพ็ญสมถะบำเพ็ญความสงบใจถามว่ามีปัญญาไม่มีแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเป็นปัญญาโลกียะเพราะฉะนั้นคนระดับพรหมเขาก็สามารถบริหารประเทศชาติบ้านเมืองสหัสบริหารวัตถุอะไรได้ดี เขาก็มีปัญญาระดับนั้นดังนั้นเราเราต้องแยกให้ออกนะถ้าหากว่าเรานะแยกไม่ออกก็จะทำให้เราสับส น, น, นกับของใหม่ตัวนั้ น, ใ ห, น, น, ใ, ห น, นใหม่ตัวนี้กหมัน้นเสียเราจะเห็นว่าการคุยค่อยๆเปิดไอไฟโซล่าเสี่ยคุณก็ไม่ได้สติ แล้วจะเห็นว่าในการที่เราฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเราต้องแยกให้ออกาไอ้เรามาปฏิบัติกันคนอื่นเขาไม่เห็นปฏิบัติเขาก็ไม่เห็นมีความสุขกันดีเขาก็ลำดุยกันดีเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกก็ทำไมันเป็นทุกข์ามายังยากอย่างจนอยู่เ้วก็สับสนดิคนที่เขาไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นเขาเป็นโครคไข้ไข้เจ็บอะไร คือเขามีปัญญาระดับโลกิยะดีเขาก็บริหารในส่วนวัตถุได้ดีกว่าแต่พอไปขึ้นปัญญาโลกุตระเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะมันไปติดนะพอไปติดแต่เราต้องการไปติดอะไรไปติดไปติดปัญญาตัว น, นั้นเขาบอกแค่นี้พอเราก็เลยมา เสียบเลยเสียบนี่ออกไม่รู้สิขยับยบได้ไม่ต้องพอถึงแล้วถึงแล้วดงไปเออดึงออกขยับขึ้นมาอย่นี้ขยับตรนั้น ใหนาจะเห็นว่าในในส่วนนี้เป็นส่วนสาคัญที่เราต้องการพัฒนาที่เป็นศรัทธาที่เป็นโลกิย ะ, ละโลกุตระนะศรัทธาที่เป็นโลกุตระคือศรัทธาในการที่จะรู้ตัวเองเราเริ่มใสในการกระทํของของตัวเองแล้วก็รู้จักพลิกแพลงในการที่จะทำานศรัทธาตรงนี้มันจะนำไปสู่ตัวปัญญาตรงนั้น ไม่ใช่ว่านั่งตรงนี้แล้วมันเบื่อก็เลิกเลยไม่ใช่แต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการที่จะให้ความเบื่อเนี่ยหายไปนั่นเขาเรียกว่าศรัทธาในการที่จะทําหาวิธีศรัทธาในมั่งนั่งตรงนี้มันฟุ้งซ่านมันปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ฟุ้งซ่านหายไปนั่นคือศรัทธาในมั่งนั่งตรงนี้มันหงุดหงิด มันเบื่อก็หาวิธีที่จะแก้ไขความมึนงความเบื่อให้หายไปนะฉะนั้นศรัทธาดันั้นถ้านำไปสู่หลักของสมาธิทิแล้วมันเกิดปัญญาที่จะแก้ไขแต่ถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธาแต่ปัญญาสมาธิฐิไม่พอไปไงเวลา ท, ทาตั้งใจทำจริงทำจังแต่พอมันเบื่อขึ้นมาแล้วศรัทธามันก็ถอยละ ปัญญาก็ไม่เข้ามารับมันก็ทิ้งไปเลยไปทําเบือ่อปัญญาก็ไม่พิจารณาว่าทําไมมันจึงเบือ่อพอเกิดว่าเปนทำไมมันจึงเบื่อเนี่ยปัญญาโดนั้นเข้ามาพิจารณาแล้วแก้ไขความเบื่อได้ทันทีนั่นคือเรียกว่าปัญญาที่เป็นสมาธิที่ที่เป็นรูปุตฉะมันเกิดซึ่งเรื่องนี้เราถ้าหากเราไม่สัมผัส ด, ด้วยตัวเองซะก่อนเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจนะ เพราะมนเป็นปัญญาโลกุตระปัญญาโลกุตระ น, นั้นสัตสัมพันธ์กับสัทธาในลักษณะมาเป็นความเพียรหนึ่งเพียรระวังในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาให้เกิดขึ้นความปวดขาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไหมไม่ปรารถนาควา ม, วามง่วง เ, เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไหมไม่พึงปรารถนาความเบื่อความฟุ้งซ่านความลังเลเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไหมแต่ทําไมมันเกิดอ่ะ ก็เพราะว่ามันเป็นสังขารโดยกําเนิดสังขารละรูปเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติของมัน3อย่างดังที่กล่าวเสมอว่ามันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปห้ามมันไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ในการที่จะดัดแปลงแก้ไขมันได้แต่ไปห้ามมันเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นสังขารโดยกําเนิดมันเป็นทุกข์โดยกําเนิด แต่เราสามารถที่จะเอาสติปัญญาจากมันได้ด้วยการสร้างศรัทธาและปัญญาสมาธิขึ้นมาให้ได้เมื่อศรัทธาและปัญญาสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดัดแปลงชลาธรรมขือนิจังทุกขังนาตาให้เป็นวิปัสนาตรงเนี้ยที่มันต่างกันว่ามันเป็นวิปัสนาได้อย่างไรแต่ผู้ที่ปฏิบัติสมถะ ปัญญาตัวนี้ไม่เกิดหรือเกิดแต่ว่ามันน้อยเกินไปในการที่จะเปลี่ยนแปลงอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาให้เป็นวิปัสนาญาณเนี่ยมันไม่พอนะแต่วิธีการปฏิบัติที่ตรงต่อวิปัสนานั้นคือทำให้เกิดความรู้ไม่ใช่เกิดความสงบถ้าดต่ไดมุ่งหาความสงบโดยที่ยังไม่รู้ไม่มีปัญญานะความสงบนั้นก็เป็นสมถะ ไม่ทําให้เกิดปัญญาความสงบนั้นก็พัฒนาไปสูงสุดก็ไปได้แค่พรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านก็พบอาจารย์ทั้งสองท่านที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นแล้วท่านก็ยังไม่เอานะท่านก็ยังหนีทั้งสองอาจารย์อุทะกะดาบุตรรามบุตรอาราละดาบุตรการามโคตรตอนแรกไปหาอาจารย์อาราละดาบุตรได้สมาบัตจิต ก็สูงละแต่ว่ายังไม่พอใจก็ถามอาจารย์ว่ามีใครที่ที่รู้สูงมากกว่านี้ไม mm hmm. ก็มีอุทะกาดาบทรามบุตรได้สมาวัตแปดท่านก็ไปฝึกอีกก็ได้สมาบัตแปดท่านบอกว่ามีอะไรที่เหนือกว่านี้ไหมบอกว่าไม่มีสูงสุดแค่นี้อา้ามันก็ยังเสื่อมได้นี่ ในขณะที่ทําอยู่มันก็มีเวลาไปทําการทํางานะ่ะไอสมบัติจิตสัม 8, ไม่ได้อยู่แต่ตลอดเวลานี่แสดงม่นเสื่อมได้ก็ยังยังไม่พ้นชะลาธรรมนี่คือความวิเศษของของสติปัญญาของท่านคือท่านเป็นคนสังเกตนี่คือคุณสมบัติของท่านที่ได้บําเพ็ญมาและพบชาติกับกันที่มาเห็นจุดนี้ซึ่งมนุษย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนอกจากพุทธเจ้านะพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านก็จะไม่เห็นจุดนี้เหมือนกันนะ คือท่านไม่คือท่านฉเฉลียวใจต่อว่าอันไหนมันเป็นชลาธรรมอันไหนมันเป็นอมาตะธรรมถ้ายังเป็นชลาธรรมอยู่สิ่งที่ได้มามันเสื่อมตามหลักของนิจังทุกขานาตาแต่ถ้ามันเป็นอมาตะธรรมได้มาแล้วมันไม่เสื่อมตัวนี้ท่านจึงออกหาทางด้วยตัวเองไงก็พิสูจน์มาแล้วทั้งหกปีก็เมาเสียเวลากับอาจารย์ทั้งสองท่านอีกก็ตั้งนาน <c oughs> พอมาหาทางของท่านเองท่านก็ยัง ในส่วนที่เป็นความเชื่อเก่าๆท่านก็มาบมเพ็ญเป็นตัวเองด้วยลักษณะทรมานตัวเองทุกขลักิริยาท่านก็มาทำอีกจนตัวเองแทบจะไม่รอดนะอดข้าวอดน้ํากันลมหายใจทรมานตนเองไม่ใส่ผ้าใส่เสื้อลดอาหารลงตามลำดับเพราะคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปลดกิเลสได้แต่ เมื่อถึงจุดแล้วคือเลือมันลดไม่ได้มันก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเมื่อไรความคิดนามารูปเกิดขึ้นชลาทำปรากฏโดยชลาของรูปนี่ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่นามารูปเนี่ยมันเกิดจากจิตเพราะจิตเนี่ยมันพัฒนาได้สองระดับพัฒนาได้เป็นสังขารก็ได้เป็นวิสังขารก็ได้แต่รูปนั้นเป็นสังขารโดยส่วนเดียวเป็นวิสังขารไม่ได้แต่นามนั้นเป็นวิสังขารได้ด้วย ทวิสังขาร น, นั่นคือตัวประมัติตัวสังขาร น, นั้นเป็นตัวสมมุตินั่นะพอท่านเห็นความต่างทีนี้ปั๊บท่านก็เลิกอ๋อกิเลสมันไม่ได้เกิดจากรูปนี่เกิดจากนามเกิดจากความคิดท่านก็เลิกเลิกทาความเพียรแบบทุ ก, กรักยานั่นแล้วก็มีนิมิตเกิดขึ้น ทีนี้มิที่ว่ า, าพระอินมาสีพินมาดิดพินให้ให้ท่านคือความจริงก็เขาสมมติว่าพระอินเนี่ยความจริงอาจเป็นลูกหลานชาวบ้านอาจจะไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาแล้วก็ไปเอาพินเอาคุยเอาดนตรีอะไรติดไม้ติดมือไปเขาก็ไปนั่งเป่าแต่เนื่องจากว่าไอ้ตัวการรับรู้แบบฉับไวของท่านอ่ะเออมันดีดสีซะ เต็มที่แล้วฟังแล้วมันขาดหายไปก็แสดงว่าแรงเกินไปสายมันขาดพอสักพักหนึ่งได้ฟังใหม่สายมันก่อนอ่อนย่อนหย่อนดังไม่เพราะดังแบบไม่เรื่องสักพักหนึ่งได้ฟังอีกทีหนึ่งเอามันพอดีเพราะอ๋อท่านกเกิดเกตเกิดได้สติขึ้นมาทันทีอ๋อตอนแรกเนี่ยเราอยู่ของบ้านของเรือนใช้ชีวิตเป็นย่อนยาน ถ้าเป็นดนตรีก็ฟังไม่เพลาะเหมือนกันจิตใจของเราถ้ามันหย่อนยานการพัฒนาก็าไปไม่ถึงที่เหมือนกันไม่เป็นสางสายกลางมันหย่อนการใช้ชีวิตแบบมีการตามใจทีนี้พอท่านพุ่งบปรตรงกันข้ามมันเมื่อตามใจมันเกิดกิเลสก็ขัดใจมันเสียเลยขัดเต็มที่เรียกว่าอัตตะกิเลมัฐานโยก คือประกอบการขัดเจนเตุมที่จนเองลำบากแทบจะไปไม่รอดขัดคิดว่าจะขัดกิเลสไปด้วยอแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปขัดไปคันมาท่านจะแทบจะไม่รอดท่านก็อ๋อเหมือนกับไอ้พินที่เด็กมันสีแล้วมันขาดนั่นแหละขัดไปคันมามันจะขาดหมุงไปมุนมาเนมุนแรงมันขาดชีวิตก็น่าจะเหมือนกันใจเนี่ยน่าจะเหมือนกันถ้าทํำทรามานไปเรื่อยๆมันก็จะตายท่านก็เห็นได้ นิมิตทั้งส่วนนี้ไงแต่เขาสมมุติตรงนั้นว่ า, าให้เป็นเกิดศรัทธานในพระศาสนาว่าพระอินลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมณฑ์สีพินให้ฟังแต่ท่านจะบอกธรรมดาว่าลูกหลานชาวบ้านเขาเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปปิกนิกแล้วเอาดนตรีติดเนื้อติดตัวไปไปเล่นแถวบริเวณใกล้ๆเพราะเด็กพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าพระสมณะศีรถะของเราบำเพ็ญอยู่ที่นั่นมันก็ไม่รู้ แต่โดยบังเอิญไงแต่ท่านได้ญาณปัญญาของท่านเองแล้วท่านก็เกิดทั้งอเสร็จแล้วท่านก็เลิกทั้งสองส่วนในส่วนย่อนญาณก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ความสำเร็จชีวิตได้ในส่วนที่ตึงเกินไปไมัสามารถก็เรือกซ์ติคืออันโตอันตะนะมัน <c oughs> มันสุดโต่งท่านก็นเลยมาปรับ มาพิจารณาเนี่ยเกิดฌานตัวนี้แหละฌานที่มันยากายเป็นญาณตัวนี้คือก็มาพิจารณาเมื่อก่อนเป็นฌานโดยฝ่ายเดียวที่ท่านไปทําสมาบัติจิตสมาบัดแปลเพ่งจนเกิดฤิ์เกิดเด็ดเกิ ด, ด, ด, กดปฏิหารแต่พอไม่ได้เพ่งไม่ได้กําหนดปับ๊บมันก็เสื่อมแต่ทีนี้พอมาเพ่งกําหนดรู้ที่รูปที่นามรูปดูรูปมันเป็นยังไง รูปมันอยู่กับที่การเคลื่อนไหวมันช้ามันคงที่เลยสถิติมันคงที่แต่อีกตัวหนึ่งมันไม่ไม่คงที่อ่ะขนาดนั่งนี่สามนาทีห้านาทีไม่รุ่นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนีต่ตัวนี้น่าสนใจท่านก็มาสังเกตไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เห็นไหมการลําดับจากชานเข้าไปสู่ยานมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้ามันเคลื่อนไหวได้มันก็ต้องหยุดได้นี่วิธีการของท่านท่านก็ลองหยุดมันดูแล้วหยุดแล้วตัวนี้เป็นอะไรมันก็เป็นรูปนามคือมีรู้เฉยๆอ่ะแต่ถ้ามันไปมันเป็นนามรูปมันมีตัวอยู่ในนั้นมันพาไปเพราะมีอัตราพาไปมันกลายเป็นรูปน้ำมีรูปแทรกเข้าไปในนั้นแต่พอมันหยุดปั๊บมันไม่มีรูปอยู่ในนั้นเป็นเหลือแต่น้ำ แต่ก็อาศัยรูปคือวัตถุนี่อยู่เรียกว่ารูปนามนี่ความจริงเนี่ยท่านออกบำเพ็ญมาทั้ง6ปีท่านไม่รู้รูปนามเลยนะแต่เพิ่งมาดูตรงนั้นแหละที่ท่านมาพิจารณาตรงนั้นแหละก่อนหน้านั้นรู้รูปนามแบบสัญญาเนี่ยคือนนหนักไปด้านรูปบ้างหนักไปด้านนามมันไม่พอดีไง <c oughs> หนักไปด้านรูปทรมาลรูปก็ไปกลายเป็นการมาสุขันธ์การโยกหนักไปด้านนาม ไปทรมานลูกก็เป็นอัตตาเกี่ยวสลับกันไปสลักรกันั้นก็เป็นทางสุดตรงทั้งสองสายแต่พอท่านมาพิจารณาหาดูาอะไรมันเป็นลูกเป็นนามสริงอะไรมันเป็นตัวสาระไม่สาระจริงๆลองหยุดลองคิดลองหยุดลองคิดค ด, ดูหยุดไปชื่อไหนใจนะหยุดมันก็ไม่มีมันก็เป็นความรู้สึกว่า ง, างๆเฉยๆเขาเริ่มคิดอ่ะมันมีลูกขึ้นมาในการคิดมันก็อยู่รูปมันจะต้องอยู่คงที่ไม่ได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะของมันอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่พอไม่มีรูปเข้าไปแทรกในความรู้สึกความรู้สึกนั้นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีข้างล่างหยุดแค่นั้นอ๋อนี่ตัวคงที่คือตัวนี้เนี่ย คือตัวพลังพลังงานไม่ตัวที่สลายไม่ได้พลังงานเนี่ยคงอยู่แต่วัตถุสลายได้สาสารสลายได้แต่พลังงานสลายไม่ได้มันคงที่ท่านก็มาเห็นตัวนี้อ๋ออันนี้นา้าถ้ามันคงที่มันไม่ปรุงม่แต่งเป็นน้ำมะรุ่นมันเป็นอะไรล่ะถ้ามันปรุงแต่งมันไม่คงที่มันเป็นสังขารน่าจะต้องได้ชื่อไว่าวิสังขาร แค่นี้แหละ อ, องอุทานเลยนะพอมาเห็นตรงนี้นะที่พูดไปวันก่อนวิสังขาระคตังจิตตังตัณหานังขยามัชขาว่าจิตของเราได้ถึงแล้วที่สภาพวันที่มันไม่ปรุงไม่แต่งเราสมมุติว่าจิตแต่ควาจริงมันไม่มีจิตมันไม่เกิดจิตก็คือรับรู้อารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งไปแต่ไอ้ตัวที่ไม่มีจิตเนี่ยเขาเรียกอะไรตัววิสังขารวิสังขาระจิต เราไม่มีศัพท์อื่นเรียกเรามาเรียกว่าปรมาทิศเรียกว่ารูปนามนะมาอยู่กับปรมาติศมาอยู่กับรูปกรรนามเราไปสํานักไหนอย่างไหนก็จะเน้นแต่เรื่องนี้ยมาอยู่กับสภาวธรรมมาอยู่กับปรมาติศมาอยู่กับรูปกรรนามเพราะมันไม่มีนามรูปถ้ามาอยู่กับรูปนามปั๊บมันรู้เท่าที่รู้มันเห็นเท่าที่เห็นได้ยินเท่าที่ได้ยินนังไงมันจบอ่ะพระพาหิยะฟังพระพุทธเจ้าไม่ถึงชั่วโมงนะบรรลุพระรหัสเลย มถึงพ่ออะไรพาะพะฮยะนั้นมีศรัทธาต่อการแสวงหาพระความเป็นพระอรหันมาก่อนศรัทธาสูงมากแต่ว่าท่านยังไม่พบย่งไงโดยบังเอิญน่ะบังเอิญอยังไรเพ่อพะฮิยะทารุษียะเป็นชาวชาวบ้านไปค้าโดยเรือเสร็จแล้วเกิดพายุลูกเรือถูก น้ำพัดไปกับกระแสตายหมดได้เหลือตัวเองคนเดียวที่มีวิธีการเพราะว่าชำนิชำนาญในเรื่องทะเลวิธีการประคองตัวไม่ถูกกระแสพัดจมไปประคับประคองตัวจนกระทั่งว่าน้ําสัดเข้าฝั่งพอ water ซัตเข้าฝั่งผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวกม็มีเหลือแต่ตัวลถยนต์ขึ้นฝั่งแล้วก็ขออาหารชาวบ้านขอชาวบ้านเห็นก็เอาสมัยนั้นน่นละลัทธิของเซนหรือมหาวีระเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้ว คือในนักบวชในละที่นี้เนี่ยเป็นนักบวช ท, ที่แก้ผ้านุ่งรมห่มฟ้างนแล้วถือว่าเป็นพระรหันต์เพราะนั้นนักบวช ท, ที่นี่ไปคนจะนับถือมากแก้ผ้าไปไหนเนี่ยก็ถือว่าหมดสิ้นกิเลสแล้วจะสามารถแก้ผ้าไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเนี่ยชาวบ้านก็เห็นท่านพาหิยะธรุจิยะก็เลยอ๋อนี่เป็นนักบวชของมหาวิราชเป็นพระรหันต์นี่ก็เข้าไปสักการะบูชาเคารพนับถือ ที่ท่านพะยิจักก็อ๋อก็เลยตกกระไดพ่อยจูเขาสมมติให้เป็นพระหลานก็เป็นเันือเลยก็เป็นเกิดสวยราบสกา่าละแต่ว่ามามาสะกิดใจว่าพระหลานนี่คืออะไรทําไมคนจึงบูชานับถือกันนักกันหนาะคิดแต่เรื่องนี้แหละคิดคิดคิดคิดจนกระทั่งวันหนึ่งได้ข่าวว่าพระหลานตัวจริงเนี่ยอยู่ที่นู่นในเรานี่เป็นพระหลานตัวปลอมก็เลย ห น, นีออกจากสำนักนั้นเลยไม่เป็นปพระรหัอุปโหกแล้ทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งไม่หยุดไม่หย่อนตลอดทั้งคืนทั้งวันเดินทางจนมาพบพุทธิเจ้าในช่วงเช้าพุทธิเจ้ากำลงังบิณฑบาตอยู่นะก็ถามพระองค์ทันทีว่าข้าพระองค์ข้าพเจ้าขอถามปัญหาว่าความเป็นพระรหันนะ่ะที่แท้จริงเป็นอย่างไรข้าพเจ้าอยากทราบ พุทธเาก็บอกว่าการนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหาเราแต่เทาคตกํกำลังวินทบาทถามถึงสามครั้งแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าอชตากรรมของภาหิยะเนี่ยไม่ยาวไม่นานเพราะนั้นก็รีบบอกเสเลยนะบอกว่าดูก่อนพ า, าิยะความเป็นพระอรหันต์นั้นคือเมื่อตาเห็นสักตาวาเห็นเมื่อหูได้ยิน สักตรรมได้ยินเมื่อใจรับรู้สักธรรมรู้เมื่อสักธรรมรู้เท่านี้ไม่มีจิตที่แล่นไปข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตข้างล่างข้างบนข้างซ้ายข้างขวาไม่มีไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการุงไม่มีการเกิดไม่มีการดับนี่คือความเป็นพระหันเพราะท่านตรัสจบแค่นี้แหละ เง็ดเลยนะจิตพุ่งชูเข้าสู่สภาวะนั้นเลยจับหลักอันนี้ได้คือภาวะที่เป็นไม่ปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้จิตของท่านก็พุ่งเพอจับตรนี้ปั๊บจิตก็พุ่งไปสู่ญาณปัญญาขั้นสูงเป็นพระอาหารหันต์ในขณะนั้นแล้วท่านก็ขอบวชขอไปสมบทอุภริยาก็บอกนนั้นเธอไปหาผ้ามาแต่ว่า ป, ประวัติท่านนี้ อดีตชาติเป็นมายาวนานแต่ว่าเวลามันจะเยะไม่พอนั้นเธอไปหาผ้ามาก็สมัยนั้นผ้าไม่ได้มีเยอะแยะเหลือเฟืออย่างที่เห็นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าบ้างตามกองหยากเยื่อบ้างที่เขาทิ้งมาเย็บปะติดต่อกันบุรีย้าก็พาพระเดินบิดาบัดต่อไปแต่ในช่วงที่ พุทิเาแสดงธรรมหรือตัดเรื่องนี้แก่พระฮิยะเนี่ยพระก็ตามมาข้างหลังอะ่ะกำลังบิณฑบาตก็ได้ยินดิได้ยินว่าพุริเจาตัดยังไงเสร็จแล้วพระิยะนี่ก็ออกไปหาชิ้นผ้าตรงนั้นกองขอยากเยอะกองขยะมันใกล้กว่าก็เลยไปหาที่กองขยะเก็บทีละชิ้นสองชิ้นในขณะ น, นั้นชาวบ้านปล่อยวัวเนี่ยไปเลี้ยง ทำบุรัวพอเปิดออกแรงมันก็ไปที่กองขยะไปกินใบตองกินอะไรทีนี้ขณะนั้นวัวแม่ลูกอ่อนมันไปก่อนลูกอ่อนเล็กๆมันเกิดใหม่ทีนี้ไอวัวตัวเล็กมันก็วิ่งเข้าไปใกล้พะ hya ดิแม่มันก็นึกว่าคนจะมาทําร้ายลูกมั น, มนก็โดดขิดพะ hya อย่างแรงก็มรณะภาพในขณะนั้น หลังจากพระบินทบาทพุทธเจ้าบินทบาทกลับมาถึงวัดพระก็ถามว่าเอ๊ะก็ไม่ใช่ถามอ่ะคือคุยกันมาตลอดว่าพุทธเจ้าจัดแสดงธรรมแล้วรับรองว่าเธอเข้าถึงสภาวะอันสูงสุดแล้วทําไมชะตากรรมยังเป็นอย่างนั้นทําไมพระอรหันต์ยังเป็นชะตากรรมอย่างนั้นละ่ะพุทธเจ้าได้ยินเข้าวาอ๋อเราทราบว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในชาติหนึ่งของพระิยะเนี่ยเคยไป ข่าและขมขืนผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาผูกอาคาดก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาผูกอาคาดแล้วก็จองเวรจองกรรมไงทุกทุกชาติอันนีชาติสุดท้ายของเานะแต่ความจริงชาติหนึ่งที่ท่านเคยเป็นพระธุดงที่หนงขึ้นไปอยู่บนถ้ำแล้วบำเพ็ญฌาน แล้วเพื่อนของท่านเจ็ดแปดองค์นะได้ฌานเหาะหนีกันไปอยู่ทางอื่นหมดละแต่ท่านไม่ได้ฌานกับเพื่อนไงก็ถูกเสือกัดตายก็ได้ก็ถูกจองเวรจองกรรมกรรมมันั้นแหละฆ่าขมขืนผู้หญิงเนี่ยเขาจองเวรจองกรรมมาจนชาติสุดท้ายเนี่ยบุญกุศลที่ท่านทำมาก็เยอะเพราะท่านปฏิบัติมาตลอดเหมือนกันนั้นชะตากรรมของเธอจึงเป็นอย่างนั้นเพราะวิบากกรรม แม่ลูกอ่อนหัวลูกอ่อนก็คือผู้หญิงที่เข้ามาเกิดเป็นวัวนั่นแหละมาคิดเอาเขานิพพานในละะักษณะชีวิตตะสมาสีสีคือนิพพานทั้งที่ว่าอายุไขยังไม่หมดแต่ว่าวิบากกรรมตรัดรอนนี่เราจะเห็นว่าคําว่ารู้ได้ยินสกวดีนเห็นสักตะวัเห็น ร, นรู้สักตวรันรู้แค่นี้ความเป็นพระอรหันต แต่ควท่าว่าจะทําจิตไปได้ถึงตรงนั้นน่ะไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาจากการยืดขยายของความคิดมาไม่รู้จะพบชาติกับกันจนมาถึงยุคนี้ชาตินี้เราเกิดมาแล้วก็ไม่พบกัลยาณมิตรไม่พบผู้รู้ที่จะบอกความจริงของเราเราก็ต้องสวยกรรมนี้ต่อไปไปหลงหลงูบหลงน้ำตัวเองก็สร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดทุกต่อไป <c oughs> สร้างรูปสร้างนามต่อไปแต่เราก็มีศรัทธาต่อพระศาสนาแต่ไม่ใช่ศรัทธาในการที่จะดับทุกข์แต่เป็นศรัทธาในการที่จะมีชีวิตที่ดีฝามีศรัทธาที่จะไม่ที่มีศรัทธาที่จะมีความสุขแต่ไม่ได้มีศรัทธาในการที่จะสิ้นทุกข์ก็เลยพออยู่ได้สร้างภบสร้างชาติต่อไปเกิดในสุคติบ้างทุคติบ้างสลับกันไปคือจิตของเราบางวันสุบันนนทุกข์มันสลับกันเนี่ยพบชัดแท้จริงตรงนี้เอง ไม่ต้องไปตายซะก่อนอันนั้นภพชาติที่ว่าหลังตายเป็นผลแต่ผู้ที่้าติไม่ได้สอนผลท่านสอนที่เหตุถ้าทําเหตุให้ถูกแล้วผลมันอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีไม่มีเเรื่องของมันแต่เหตุมันมีแล้วผลมันต้องมีเหตุว่าคุณจิตของคุณสร้างภพสร้างชาติตามหลักของปฏิสุบาตเนี่ยเป็นเหตุดูเหตุกับผลบางทีมันคนละเรื่องกันเลยแต่ว่ามันสืบกันอย่างเม็ดถั่วกับต้นถั่วน่ยมันคนละเรื่องกันเลย ใช่ไหมเม็ดถั่วเป็นต้นเหตุแต่ต้นถั่วเป็นปลายเหตุไม่มีลักษณะไหนบอกถึงเม็ดถั่วเลยมันเป็นเครือยาวๆเป็นใบเป็นสีเป็นสันอะไรต่างๆแต่เม็ดถั่วเม็ดนิดเดียวลึดงากับต้นงานเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเหตุกับผลกับสัมพันธ์กันที่โดยธรรมทำก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดวิปัสสนาปัญญาเราสัมพันธ์เหตุกับผลเข้าไม่ถึงกันไง ไม่เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลเราก็ดึงไปเชื่อในส่วนที่เป็นผลเราไม่เห็นเหตุเพราะฉะนั้นพูดที่จะเห็นเหตุได้อย่างลึกซึ้งที่สุดก็คือต้องได้วิปัสสนาญาณเท่านั้นถ้าไม่ได้วิปาาัสสนาญาณมันเห็นเหตุของผลหนึ่งนั้นไม่ได้อืมนั้นเองการมาปฏิบัติวิปัสสนาก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดเพราะมันจะสามารถทําให้รู้ตรงนี้แต่ในกรณีปฏิบัติแล้วก็ยังไม่เห็นหอันลึกซึ้งของทุก์เนี่ย ก็แสดงวิปัสนาญาณนั้นยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่แก่กล้าต้องพัฒนาต่อไปนะในการพัฒนาก็คือต้องใช้หลักห้าประการเนี่ยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพัฒนากาลังให้มันมีกำลังถ้ามันยังมีกำลังขเขาเรียกวอินทรีย์ถ้ามันมีกำลังแล้วขเขาเรียกว่าพละอินรียห้าพละห้า อันเดียวกันนะเปลี่ยนแต่ข้างหลังมันเฉยๆดังนั้นเราจะเห็นว่าหลักที่เราปฏิบัติเนี่ยมันหลักที่ตรงที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดแต่ถ้ายังลังเลสงสัยยังไม่แน่ใจก็แสดงว่า น, นั่นเราประสบ ก, การณ์และญาณปัญญาของเรายัางไม่ได้รับการพัฒนาต้องพัฒนาต่อไปหรือวิบากกรรมของเราเยอะอยู่ก็ต้องปฏิบัติต่อไปถึงแม้ไม่เข้าใจก็ทาด้วยศรัทธาไว้ก่อน นี่ยังไม่เกิดความเข้าใจยังไม่เกิดปัญญาก็าต้องทำด้วยศรัทธาไปก่อนเหมือนเราเพาะเมล็ดงานเนี่ยมีผู้รู้บอกเราว่าไอ้เมล็ดงาตรงนี้มันจะเป็นเพชินงาตรงนั้นนะอ้เมล็ดขนุนตรงนี้นะมันจะเป็นขนุนตัวนั้นนะไอตอนแรกเรายังไม่เชื่อเปลี่ยนไม่ได้ไงไอเม็ดขนุนกระตดดขนุนคนละเรื่องเลยเรายังไม่เชื่อพราะเรายังไม่เกิดปัญญาเห็นลาดับตรงนั้นไง แต่พอมีท่านผู้รู้มาบอกถึงลำดับการพัฒนาการจากเม็ดขนุนกลายเป็นต้นขนุนได้อย่างไรเนี่ยบอกให้ใเข้เห็นกระบวนการชัดเจนเราก็เกิดศรัทธาแต่ยังไม่เกิดปัญญาเกิดศรัทธาที่จะทำตามทาไปเรื่อ ย, อยๆจนกระทั่งว่าเกิดปัญญามาทีละนิดละนิดเริ่มนึกออกว่าไอ้เมล็ดขนุนเนี่ยไปเป็นต้นขนุนได้อย่างไรเริ่มลำดับเหตุผลต่อเนื่องกันไปลหลักของปัจจยการ หลักของปฏิสุบาตนั่นหมายความว่าปัญญานั้นถึงระดับที่จะเป็นวิปัสนาญาณเบื้องต้นได้แล้วที่เราจะเกิดสมาธิิฐได้แล้วถึงลําดับเหตุผลยังทุกข <c oughs> เรารู้ว่ามันทุกขความคิดเนี่ยรู้มันทุกเหตุมาจากอะไรเนี่ยตอนแรกเรายังําดับไม่ถูกแต่พอพระ หือกิริยามิตรมาบอกเราไอ้ทุกข์มันเกิดเพราะมาจากตัวนี้ลําดับเริ่มลําดับไม่เห็นทุกข์ทางกายมันเกิดเพราะตัวนี้นะทุกข์ทางใจมันเกิดเพราะตัวนี้แนละ้วเริ่มลำดับตั้งแต่อวิชชาลําดับมาเรื่อ ย, อยๆถึงขงบวนการของมันไม่ใช่ทุกข์เกิดปุ๊บปั๊บนะมันต้องเกิดตัวไม่รู้สึกตัวเสียก่อนเรียกว่าวิชาคือ ร, รู้ไม่เท่าทันของสิ่งที่เกิดรู้ไม่เท่าทันอนิจจังทุกขังขอันด า, านที่กําลังเกิดเสียก่อนเรียกว่วิชาก็ให้เกิด สังขารน่ะลำดับไปเรื่อยเรยเป็นชาติชารามราณะโสกะพริเทวสิบสองขบวนการเราเริ่มลำดับเป็นศราก็เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มศรัทธาขึ้นก็ลงมือพิสูจน์ดูที่ลงมือทำดูสิความเพียรก็เริ่มขึ้นไงความเพียรก็เริ่มขึ้นแล้วปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มลำดับเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายของระวังทุกข์ก็เหตุเกิดทุกข์ เรามันก็เริ่มหาวิธีที่จะดับได้อย่างไรที่เนี้ยฝ่ายที่เกิดทุกข์เรียกวฝ่ า, ายสมุรทรยะธวานพอเราเกิดวิปสัสสนาญาณเริ่มหาวิธีการที่จะดับมันโดยสิ้นเชิงเรียกว่าฝ่ายนิโรธ ท, ทวานคือฝ่ายดับฝ่ายเกิดก็คือหัว ข, ข, ขบวนมันคืออวิชชาคือความไม่รู้สึกตัวความไม่รู้เท่าทันรูปขางนานที่กําลังเกิดเพราะเรามีอวิชชาอยู่ แต่พอปัญญาเริ่มเกิดเราพัฒนาตัวอวิชาอาวิชาแปลว่าความไม่รู้เท่าทัน <c oughs> ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกการไม่รู้สึกใจเราเริ่มพัฒนาตัวรู้นี้ให้เกิดขึ้นตามลําดับเมื่อพัฒนาตัวรู้นี้มากขึ้นเราเริ่มรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกถึงใจที่มันนึกมมันคิดวิชาเริ่มเกิดทีลดแล้วทีเนี้เพราะวิชามันตรงข้ามกับอวิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นสังขากรกระลุ่ม ดับไปตามอำนาจของวิชาวิญญาณดับนามาูปดับผัสสะดับอายตนะดับตันหาดับเวทนาเวทนาดับตันหาดับอุปทานดับพบดับชาติดับชรามรณะโศกระปริเทวะทุกดับเห็นไหมมันขบวนการยาวเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ดับทีละตัวอย่างสมมติเราจะปิดไฟดวงนี้ พอกดสวิตดับที่นู้นเน่ยมันในการดับมันเล่นมาทีริสไหมไม่พอกดต้ดับปั๊บตัวนี้มก็ดับทันทีเหมือนกันแต่ที่ท่านเลี้ยงเอาไว้เป็นลําดับขั้นตอนเพื่อการศึกษาเพื่อการสืบทอดเรียกว่าปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่ากดล้วดับทีละขั้นโดยจะไปถึงนี้ใช้เวลาหลายนาทีไม่ใช่กดทันทีดับทันทีนั่นคือภาคปฏิบัติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทันที แต่ภาคปริยัตินั้นท่านต้องการเห็นกระบวนการขั้นตอนมาขยายอย่างทฤษฎีทางโลกเขาก็ใช้ไอ้ระบบดนะิจิทอลเพื่อจะขยายเห็นถึงการต่อเนื่องนะว่าเส้นตรงเกิดขึ้นจากจุดหลายจุดนะที่เอามาขยายเป็นระบบดิจิทอลจิตเราก็เหมือนกันในแะง่ของน้ร ม, มาทำก็เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าความถี่ของจิตเนี่ยมันอันลิมิตมันจำกัดไม่ได้เพราะเกิดปุ๊บปั๊บทันที นั้นอย่างท่านพายาทารุกิยะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปฏิบัติสาปีหปีเจดปีเพราะเข้าถุงเหตุของมันที่พร้อมแล้วเนี่ยกดสวิตปั๊บดับทันทีเลยเห็นไหมแต่ของเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยมาอย่างนั้นก็ต้องดับปฏิละขั้นละตอนดังนั้นเราจึงมาสร้างความพร้อมเท่านั้นเองในการปฏิบัติเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีเหตุมีผลมีต้ น, ตนปีปลายไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปได้โดยบังเอิญ แต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในมรรคมีองแปดท่านจึงเอาสมาธิธิเป็นเบื้องต้นเป็นกุญแจที่กล่าวมาแล้วเป็นกุญแจหลักกุญแจใหญ่ของบ้านหลังนี้ถ้าหากุญแจตัวนี้ไม่เจอแล้วก็คุณก็ปฏิบัติไปเถอะกี่พบขีชาติก็ยังเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้ประตูพระนิพานเข้าไม่ได้ <c oughs> เพราะนั้นเราปฏิบัติเพื่อหากุญแจที่ถูกเท่านั้นเองนะ คือบางคนหากุญแจถูกเปิดบ้านหลักได้แล้วคือได้สมาธิิคือได้โสดาปณะโสดาปฏิผลแต่มันมีประตูที่ข้างในอีก3ามสีประตูประตูสกีดาคาประตูนะคารับะตูพระรหันต์นะแต่แค่คุณเปิดประตูสมาธิิประตูพระโสดาบันนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วเข้าบ้านได้แล้วเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดรับรองว่าผู้ที่สัมผัสโสดาโสดาปฏิผลแล้วมีการจะมีการบรรลุธรรมหรือการตัดสินเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น จะไม่ไปตกนรกจะไม่ไปเกิดในบยภูมิอีกท่านตรับรองไว้เลยมีเบื้องหน้าที่จะบรรลุธรรมเท่านั้นสัมผัสตั้งแต่คุณธรรมพระโสดบบาบันขึ้นไปถึงแม้ว่ายังมีความโรคความโกรธความหลงยังมีลูก ม, มีู่วมีเมียอยู่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะสมาธิฐี่เกิดแล้ว <c oughs> ยกตัวยอย่างประกอบอีกนิดหนึ่งอย่างนางมัชปานีเนี่ยไปวัดเข้าวัด ตั้งแต่เด็กๆไปกับตากับยายก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของภาษาวกทุกวันทุกวันจนกระทั่งจิตเข้าสัมผัสความเป็นโสดาบันนี่ตามธรรมเนียมของอินเดียก็คือเด็กสาวโตมาต้องหาครอบหาครัวแต่งงานเพราะคนอินเดียนี่ผู้หญิงไม่ไปแต่งกับผู้ชายดัง <c oughs> นั้นก็ ตระกูลที่เขาผูกพันกันมาตั้งแต่ยังเขายังไม่เกิดเป็นมิตรเป็นสหายกันมากับครอบครัวนี้เขาก็จองกันไว้ละเออถ้าเธอมีลูกเป็นผู้หญิงฉันลูกผู้ชายเราแต่งกันนะหรือฉันมีลูกผู้หญิงเธอเป็นลูกผู้ชายให้เขาแต่งกันนะอันนี้ก็เหมือนกันมันตกอยู่ในวัฒนธรรมนั้นเขาก็ต้องทําตามวัฒนธรรมเมื่อนางวัชปณีโตเป็นสาวขึ้นตระกูลฝ่ายสหายของพ่อก็ก็มาแต่งเอาทั้งๆ้ที่ว่า สามีเนี่ยเป็นคนเข้าป่าล่าสัตว์เป็นนายพนก็ต้องแต่งเพราะมันเป็นผูกพันธสัญญ า, เ, าเลือกไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ตกลงกันเนื้อแต่งแล้วนายพนเขาก็ไปล่าสัตว์ตามอาชีพของเขาเนียได้เนื้อม า, อาบ้านที่นี่นางมัชพานีเป็นพระสดาบันแล้วเนี่ยแต่แล่เนื้อเถือนหนังขายได้เงี้ยแต่ทำตามหน้าที่พระสุดาบัน สามีได้สัตว์มาแต่ละวันก็เลื่อนนื้อถือหนังไปขายทีนี้มีอยู่วันหนึ่งที่พุทธเจ้าต้องการแสดงให้เห็นเรื่องนี้ให้ชัดขณะที่สามีเนี่ย <c oughs> ไปล่าสัตว์พาสุนัขไปเยอะแยะวันนั้นมันบังเอิญอย่างไรพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไอคนนี้ก็ออกบ้านแต่เช้าไปเจอพุทธเจ้า ซึ่งออกจากบ้านมายังไม่ไกลนะธรรมเนียมว่าเวลาไปเข้าป่าราสัตว์ไปหาของไปเจอพระเนี่ยมันไม่ภาษาว่าเริ่มันไม่หมานหรือมันไม่มันไม่ได้เนี่ยมันมีมาแต่นู้นแลยนะพอในพรานคนนี้เจอสมณะก็กลับขับบ้านมาวันที่สองมาเจออีกชักงุนงิดแล้ว มาวันที่สามเจออีกขันติเป็นขั้นแตกฉุนขาดเลยทีนี้น้าธนูยิงไงจะยิงสมณะพอน้าธนูขึ้นเท่านั้นพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาเลยค้างเลยที่นี้จะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ค้างเลยพอหมาเห็นเจ้าของมันยืนจังงังค้างงั้นก็เลยหมาก็เห่าลั่นเลยดี่นี้ เหาลัน่นทีนี้นางมัชปณีอยู่ในบ้านก็ได้ยินไอ้มันเกิด อ, อะไรขึ้นมาเหาลั่นเลยก็วิ่งมาดูเห็นสามีกําลังน้าวธนูค้างอยู่ก็ตะโกนออกมาอย่างแรงว่าอย่ายิงพ่อฉันอย่ายิงพ่อฉันอาจจะใช้คำ ว, ว่าหลวงพ่อไงอย่ายิงพ่อฉันเลยทีนี่ในพรานเนี่ยพอได้ยินคําว่าอา้าวอันนี้เป็นพ่อของนางเนี่ยจิตก็อ่อนจิตโกรธจิตอาฆาตก็อ่อนเพราะจิตอ่อนธนูนก็อ่อนลงมา แล้วนางวัชปณีก็เข้าไปกราบพุทธเจ้าว่าขอโทษขออภัยให้กับสามีที่ไม่รู้ <c oughs> แล้วพระองค์ก็เดินทางวินบัตรต่อไปทีนี้พอกลับไปถึงวัดเนี่ยพระที่เดินวินบาบัตรกับพุทธเจ้าก็มาโจษ จ, จันกันว่าเอ๊ะพุทธเจ้าเคยบอกว่านางวัชปณีเป็นพระโสดาบันแต่ทําไมเป็นเมียในพรานแล่เนื้อเถือนหนังขายอยู่ทุกวันมันเป็นไปได้ยังไงพระโสดาบันขายเนื้อ ออาชีพก็ผิดแล้วเขาโจดจันยินทากันพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าพุทเจ้าก็เรียกไปพาไปถามาคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องนี้นี่ที่เกิดขึ้นไปบิดาบาตอนเช้าขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายในยสงสัยว่านางมัชฌาปานีเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วทําไมไปไล่เนื้อเถือนหนังขายเป็นเมือในพานเป็นไปได้ด้วยหรือพุทธเจ้าก็จะว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลาย ถ้ามือเธอเป็นแผลเนี่ยถ้าไปเธอไปจับยาพิษเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเพราะยาพิษต้องลั่นเข้ามือก็ต้องถึงเป็นยาพิษก็จะทําให้เสียชีวิตได้แต่ถ้าหากว่ามือเธอหายจากแผลแล้วอะ่ะแล้วเธอไปจับยาพิษยาพิษจะเข้าแผลเธอไหมไม่เข้าเพจะก็ปลอดภัยไหมปลอดภยัยปุพพิสูจ์ทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้น นางมัชปณีได้รักษาแผลใจคือรักษาแผลของวัตฏสงสา ร, รหายแล้วนั้นเธอจะไปอยู่กับไปกับยาพิษไปอยู่กับคนโจรคนพานที่ไหนเธอก็จะไม่เป็นบาปเป็นโทษเพราะแผลของภพชาติคืออะไรแผลของวัดสงสา ร, รคืออะไรคือความโรคความโกรธความหลงแผลนั้นได้ถูกรักษาแล้วเพราะนั้นเธอจึงไม่ได้รับอันตราย แม้จะแต่งกับคนพานก็ตาม <c oughs> อันนี้เป็นหลักประกันว่าแม้เราจะอยู่บ้านของเรือนถ้าเราได้สมาธิทิฐิแล้วเนี่ยถึงจะไปประกอบอาชีพเรื่องต่างถ้ามันจําเป็นนะต้องบอกว่าจําเป็นที่สุดนะนางมัชฌปฏินี่จําเป็นเป็นข้อพันธสัญญาระหว่างตระกูลมันจําเป็นสูงสุดเฮือก็ทําแต่ถ้ามีวิธีหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องทํานั่นแหละค่อยทําลงไปและทําก็ไม่เจตนาที่จะไปฆ่าไปแกงอย่างสมมุติว่าโยมเดินทางไปเนี่ยหรือจะเข้าห้องน้ํามันมีมดอยู่เต็มหน้าห้องน้ําเงี้ยปวดหนักก็หนักจะเหยียบมดข้ามไปก็กลัวเป็นบาปจะทําอะไรอะ่ะจะปล่อยลาดตรงนั้นหรือว่าจะเข้าห้องน้ําก่อน จะเยียบข้ามไปมันก็มดก็จะตายทำไงนี่ต้องใช้ปัญญาแล้วก็เยียบข้ามไปก่อนแล้วกลับออกมาค่อยว่ากันทำธุระเสร็จแล้วก็เอามาล้างมาก่อาอะไรก็ว่ากันไปนี่คือความจำเป็นบังคับคือเราอยู่ในโลกสมมติเนี่ยเราจะหลีกเรื่องการทำบาปได้ยากแต่บาปนั้นก็ เหมือนกับเราจะอยู่ในโลกเนี่ยเราไม่จับจ่ายใช้สอยเลยเนี่ยได้ไหมไม่แลกเปลี่ยนเลยไปได้ไหมการจับจ่ายใช้สอยออกไปหมายถึงการเสียใช่ไหมแล้วทำไงมันจะไม่มันจะต้องกลับมามีอีกมันก็หาเหมือนกันเราอยู่ในโลกของสมมุติเนี่ยเราการจับจ่ายใช้สอยหมายความว่าบางอย่างเราต้องจำเป็นต้องทำบาปมาเกินเกินใช้สอยออกไป แล้วเมื่อทําไปแล้วเราก็หาคืนก็คือทําในสิ่งที่คืนก็ไปหากําไรมันเป็นกฎของวัจจะสงสารมีการได้มีการเสียมีกรรมบุญกันบาปมีการพออันนั้นคือนักปรารทนากระหม่อมว่าทําบาปเป็นทุนทําบุญเป็นกําไรบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไรเห็นไหมทุกเป็นทุนอุศณเป็นกําไรมันเป็นกฎของวจจะสงสารอย่างนั้น มันไม่ได้ตายตัวเออว่าเป็นพระโสดาเป็นพระอริยเจ้าเราทำไมต้องทําอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่านั่นคือความจําเป็นที่เขาต้องทําแต่ถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าความจําเป็นแค่ไหนทําไปตามความอยากบาปมันจะเกิดขึ้นเยอะไงแต่พระอริยเจ้าขั้นโสดาสกีนาคาอนาคาน์ท่านบาปน้อยลงไปเรื่อยๆท่านทําเท่าที่จําเป็นพระพุทธยจาท่านตรัสว่าบาปถ้าจําเป็นต้องทําก็ทําแต่ทําให้น้อยที่สุด ไม่ใช่ไม่ทำถ้าเราไม่ทำเราอยู่ไม่ได้ในโลกเนี้ก็ต้องทำมาหากินอย่างเป็นพระก็ต้องขุดดินฟันไม้เด็ดหญ้าแต่ท่านก็มาทำสิ่งที่ดีกว่าตามภาษาโบราณบ้านเราว่าไงภาษิตบ้านเราว่าอะไรข้าควายใหญ่เสียดายพริกเคยได้ยินไหมอ่ามาคอเอาสูญเสียแต่น้อยเพื่อจะได้สิ่งของที่ใหญ่ขึ้นไปการแก้ปัญหาเหมือนกันน่ะ ถ้าคุณนั่งเฝ้าไอ้ภาชนะข้าวอยู่หมาแมวมัน ม, ม, มาเลียกินเนี่ยถ้าคุณติดเชื่อจากมันนะถ้าคุณตายมันคุ้มกันไหมกับคุณได้ตีมันสักฉาดหนึ่งแค่นั้นไม่ได้เจตนาที่จะทําร้ายแต่เจตนาที่จะไล่ถามว่าเป็นบามไหมแต่เป็นน้อยที่สุดเพราะเราไม่มีเจตนาอันนี้ถ้าคุณดูดสงสารมันนะกิริมกเหลี่ยกับมันเข้า มันก็เข้ามาหาคุณมาสลัดขนสลัดเชื้ออะไรใส่คุณเข้าแล้วคุณเจ็บป่วยสาชมเชื้อโรคเนี่ยมันไม่คุ้มกันนี่เห็นไหมที่บาปเป็นทุนบุญกําไรหากที่นี้สึกตีให้แรงด้วยเจตนาว่าจะไล่ปฏิเจตนาว่าชามร้ายหรือเบียดเบียน<ๆ>เวลาที่กล่าวไปวันก่อนว่าเวลาลูกไม่เชื่อฟังเราตีลูกเราด่าลูกนะถามว่าเป็นบาปไหมเป็นใช่ไหมเป็นแต่ว่า ท, ทุนที่ลงไปตรงนั้นะ่ะ กับลูกที่เราไม่รับการอบรมสั่งสอนการด่าการตีแล้วลูกเขาเสียขนคุ้มกันไหมที่เราไม่ยอมตีมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎกติกาของอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องใช้ปัญญารักษาเจตนาที่บริสุทธิ์เอาไว้ถ้าหากเรากินการกินนี้เหมือนกันบอกว่าแกกินสัตว์เป็นบาปแกกินเนื้อสัตว์เป็นบาปบางรัทธิเขาเชื่ออย่างนั้นพอไปกินผักเป็นญยาเท่านั้น อันนี้ก็สุดตรงไม่ยอมที่จะไปแตะต้องแล้วไปโจมตีคนอื่นด้วยว่าเป็นการทําบาปมันก็เกิดการแยกเพราะสุดตรงคือทําได้ในกรณีที่จําเป็นอยู่ในโลกในวะัฏะสงสารเนี่ยแต่ว่าเราทำํำในสิ่งที่ด้วยเจตนาเราไม่ได้เจตนากินมีคนไปถามหลวงพ่อพุทธทาสในสมัยนั้นเรื่องนี้มันกําลังขัดแย้งกันรุนแรงพวกระหว่างกินเจกินไม่เจเนี่ยกินเนื้อสัตว์ตกินผัก กินเนื้อสัตว์กับกินผักนี่งไปถามท่านว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดของ พ, อพระพุทธตอัว่าไงท่านบอกว่าถ้าเรากินอาหารเนี่ยมันไม่ถูกไม่ผิดเพราะอาหารมีหน้าที่เลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณกินอาหารคุณไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเจคุณก็บาปไปยึดมัน่นถือมั่นสําคัญว่าเป็นเนื้อคุณก็บาปเพราะคุณไม่ได้กินอาหารเพราะคุณกินเจหรือกินกินเนื้อ มันบาปทั้งสองทางแต่ถ้าคุณตั้งใจกินอาหารเนี่ยไม่ได้ไปสําคัญว่าเป็นเนื้อหรือเป็นผักมันก็บาปก็มันก็ไม่เกิดเห็นไหมไอ้ความขัดแย้ง ต, ต่างๆมันเกิดเพราะคนขาดปัญญาเท่านั้นถ้ามีปัญญาคุณจะกินผักกินเนื้อไม่สําคัญแต่ว่าคุณเจตนากินอาหารคุณไม่ได้เจตนาที่จะไปเบียนสัตว์ แต่เขาก็ขยายต่อไปว่ า, าคุณถ้ากินกินสัตว์เนี่ยมันก็จะมีการฆ่าและการฆ่าตรงนั้นเป็นขบวนการอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเราจะกินไม่กินก็มีการฆ่าอยู่แล้วอ้าวถ้าหาว่าเรากินน้อยลงแล้วเป็นไปได้ไหมคนในโลกเนี่ยจะให้เป็นพระโสดาบันพระอริยเจ้าทั้งหมดเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่ามันผิดที่สมมุติฐานเรากิน<ม>คนทุกวั น, เ, นเรามีกินเจ ก, กันเยอะขึ้นหรืการฆ่าสัตว์น้อยลงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้น้อยลงทีผมเพิ่มขึ้นอีก เนั้นตรงนี้เราจึงจเจริญวิปัสนาปัญญาเพื่อเพื่ออยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจไงถ้าไม่ได้วิปัสนาญาอย่างถูกต้องเราอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจไม่ถูกอะ่ะแล้วเกิดปัญหาลุกลามไปหมดนะเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็ให้เกิดความขัดแยง้งเอ๊ะทั้งๆที่ท่านท่านก็ทําดีนะสูงสุดนะแต่ทําไมก็ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมละ่ะก็เพราะาวิปัสนาญามันไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องเข้าใจแล้วงั้นเราจะสับสนนะเอท่านก็ถือศีลกินเจยอย่างเคร่งครัดทําไมเข้ากับสังคมยากอะสังคมยังขัดแย้งกับท่านอยู่อ๋อพระองค์นั้นกินเนื้อทุกวันแต่ทาไมท่านบรรลุทําได้ล่ะก็สับสนดิเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านี้คือขาด ว, วิปัสสนาปัญญาเท่านั้นความสับสนที่เกิดขึ้น แต่วิปสัสนาปัญญาตรงนั้นต้องเป็นของจริงนะไม่ใช่ของเท็จเทียมนะถ้าของเท็จเทียมก็ยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่อีกถ้าเป็นของจริงแล้วมันจะเกิดปัญญาตัวนี้ปัญญาตัวนี้มันจะบอกถึงความเหมาะความสมความควรเรียกว่าปัญญาตัวนี้เกิดแล้วมันมีสัญญาณบอกอยู่เจ็อย่างว่าถูกไม่ถูกก็เขาเรียกว่าสัปปฤษิธรรมเจ็ดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุ על, ชมชนบริษัทถ้า สมาธิทิเกิดอย่างถูกต้องแล้วสัญญาณทั้งเจนี้ต้องเกิดคือสัพพุริยธรรมธรรม ท, ที่ที่ทําให้คนเป็นคนเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดปรับตัวให้เข้ากับโลกกับทําได้โดยที่บัวไม่ช่าน้ําไม่ขุนแต่ถ้าหากว่าปัญญายาณที่เป็นสมาธิทิไม่ถูกต้องใช้ยังใช้สัพพุริยธรรมเจ็ดประการนี้ยังไม่ถูกก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันทั่วไปกลุ่มคืนในสังคมได้ยากสู้ตรง ปฏิเสธก็ปฏิเสธทั้งหมดรับก็รับทั้งหมดมันก็เกิดการสูดตรงพุะริเจ้าท่านเจอมาแล้วแต่เราก็ยังไปตามทะดอีกเนี่ยในสมัยนั้นก็มีอย่างพระเทวทัตเนี่ยเสนอให้ถือทูตองหลักห้าประการเนี่ยว่าพระที่ถูกต้องเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยต้องหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตสองอยู่ คนไม้เป็นนิดสถือถือหนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นนิดนะ4ก็ไม่รับของจากเครือหัาชาวบ้าน5ก็เพสัดอะไรต่างๆต้องมาจากธรรมชาติทั้งนั้นอันนี้อาจจะไม่ถูก5นะประการเนี่ยจะไปเสนอให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอันนี้มันตรงไปนะมันไม่ถูก มันไม่ได้เกิดจากวิปัสนาญาณท่านก็ไม่รับเพราะไม่รับข้อเสนอที่ดีที่สุดอย่างนี้แหละเทวทัตหาเรื่องเลยนะที่แท้พุทธเจ้าก็จองเวทกรรมตลอดเห็นไหมพุทธเจ้าท่านบอกว่ากินเนื้อกินได้แต่ว่าเว้นเนื้อ10ประการท่านก็บอกเลยเนื้อมนุษย์เนื้อเสือโค้งเสือเหลืองเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อช้างเนื้ออะไรต่างๆเขาบอกไปสิบประการเนื้อสุนัขเนื้อคนตรงนี้ ท่นห้ามสิประการ น, นอกนั้นกินได้แต่อย่าไปกินอาหารกินเป็นเออแต่อย่าไปกินเนื้อสัตว์แต่กินอาหารอยท่านแก้ไขตรงนั้นคือความสําคัญมั่นหมายว่าเรากินเนื้อกินผักนั่นแหละมันผิดแล้วแต่ให้มีเจตนากินอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นคุณจะ ก, กินอะไรก็ได้เนีย่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะไม่สับสนถ้าเราเกิดวิปัสสนาปัญญาญาณ นำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยอันไหนที่จะนําให้เกิดความเข้าใจที่เป็นสมาธิธิก็จะพูดนําไปก่อนแต่โยมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าใจเองบางอย่างเราอาจจะเข้าใจไม่ชัดถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยพูดไปแง่งนี้เขาก็จะดีไปแง่นี้พูดไปแง่เขาก็จะดีความหมายไม่แง่นี้เขาไม่ยอมเข้าใจหรอกเพราะปัญญายังไม่เป็นสมาธิธิไงก็มีข้อแย้งไปเรื่อย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาไปเรื่อยๆดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มากของชีวิตแต่ทำไมคนจึงเริ่มกันช้าคนจึงเริ่มกันน้อยเพราะเราขาดกรยารยมิตริคู่ที่จะปลูกฝังศรัทธาอย่างถูกต้อง หรือกิริยาณมิตรมีเยอะแยะไปหมดแต่เป็นกิริยามิตรที่ยังไม่มีสัมมาทิฐิอย่างถูกต้องเป็นกิริยามิตรยังไม่มีปัญวิปัสนาญาณนะก็เป็นกริรยามิตรได้ในระดับโลกิยะไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่ากิริยามิตรจะเป็นโล ก, กุตระทั้งหมดไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเองผู้ที่จะนับถือว่าเป็นกริรยาณมิตรได้นั้นท่านก็มีข้อจํากัดอยู่จํากัดว่ายอย่างไร เมื่อเรามีความแก่เป so ็นธรรมดาสามารถบอกธรรมที่จะให้พ้นจากความแก่ได้เมื่อเรามีความชีวิตมีความเจ็บเป็นธรรมดาสามารถบอกธรรมที่จะทําให้พ้นจากความเจ็บได้เมื่อเรามีความตายเป็นธรรมดาสามารถบอกธรรมที่ให้พ้นจากความตายได้นั้นเรียกว่าการยานมิตรมีข้อจำกัดตรงนั้นนะไปดูปรมกการยานมิตรสูตร กิริยนานมิตรนั้นสามารถมีกิริยาณสหายด้วยอย่างสมมุติออกมาเป็นกิริยนานิมิตโยมปฏิบัติตามโยมก็เป็นกิริยาณสหายสับสนุนเอื้อเชื่อฟังและมีศรัทธาต่อกันในกันในทางที่ถูกเรียกว่ากิริยนานิสหายและกิริยาณสัมปวังกะคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารแสัพเพ ะ, ะมีอาหารหาได้สะดวกไม่ขัดฉนกันไป มีอาวาสปายะมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยมีธรมปปรมะสปายะธรรมที่เราปฏิบัตินั้นสะดวกสบายมีปุกละสปายะมีบุคคลแวดล้อมไม่ก่อปัญหาและอุปสรรคต่อกันเรียกว่าสัมปวังกะเพราะนั้นคำว่ากานยานามิตรเนี่ยต้องบวกด้วยสามด้วยและก็ต้องบวกสามอย่างที่กล่าวมาทำให้ชาราให้รู้จักธรรมที่จะพ้นจากชารา พยาธิและมรณ ะ, ะได้ด้วยและต้องประกอบด้วยองค์สามนี่มีกิริยาณสหายมีกิริยานสัมปวังกะมันก็ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเรามีหลักมีเกรีนมีเหตุผลที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเราแต่ว่าการที่มาพบกันมาศึกษาด้วยกันมันดีตรงนี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังมันจะหายสงสัยได้ระดับต้นๆได้เขาเรียกว่าเป็นเกิดโสสุตธรรมยปัญญาบางคน เคลื่อนไปขั้นที่สองเลยเกิดจินตามย์ญญปัญญาพิจารณาเห็นข้อเท็จจริงเออท่านพูดจริงแล้วอีกพวกหนึ่งไปไกลกว่านั้นอีกพัฒนาจากเข้าใจแล้วเอาไปทําได้เลยเป็นภาวนมญญามย์ปัญญาบางพวกไปไกลกว่านั้นอีกเป็นวิปัสนาภาวนามนไม่ค่อยติดอยู่แค่เห็นไหมมันก็มีลําดับของมันว่าคนฟังแล้วอยู่ในระดับไหนอย่งอยู่ในระดับสุตตะมย์ญญปัญญาก็ฟังแล้วก็ ไม่ได้ไปพิจารณาแล้วว่าอะไรมันถูกมันผิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีลําดับขั้นตอนของมันนะฉะนั้นเองอาตมาว่าพวกเราทั้งหลายที่ได้มาพบกันเนี่ยก็โชคดีไม่ใช่น้อยนะอาตมาเองนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ง่ายนักแต่ว่าพิจารณาเห็นคนุณคนที่จะรับเขามีคุณสมบัติพอไหม ถ้าคุณมีคุมีสมบัติพอคือมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมธิปัญญาถือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเท่าไหรเท่ากันทุ่มเทให้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าศรัทธาความเพียรสติสมธิปัญญาไม่ไม่พอหรืออ่อนเกินไปเราก็ไม่เสียเวลาด้วยเน้อชีวิตเราสั้นเราประหยัดเวลาและชีวิตให้คนที่เขามีคุณสมบัติสูงกว่านี้ เพราะการที่จะมารู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยเขาจะมีศรัทธาและปัญญาที่สั่งสมมาดีแล้วถึงจะมาพบจุดนี้แต่คนที่มีศรัทธาและปัญญาไม่ได้ระดับไม่สูงพอมีเยอะแยะนับไม่ถ้วนแต่เราก็จะไม่เสียเวลาอามาจะไม่ดีใจเลยว่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าศรัทธาและปัญญาไม่ถึงระดับเราเสียเวลาเราเหน็ดเหนื่อยตรงนั้น แต่เราประหยัดเวลาตรงนี้ให้กับคนที่มีความตั้งใจมีความจริงใจมีศรัทธาและมีปัญญาถึงแม้จะคนเดียวก็ดีฝ่าคนเป็นพันนนี้คือเหตุผลนะพราะเราต้องการประหยัดเวลาและพลังงานให้กับคนกลุ่มนั้นมากกว่าที่เราจะเกณฑ์นคนมาเยอะๆแล้วเราได้อะไรแต้ความเหน็ดเหนื่อยความลาบากนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่เรามานี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักหนึ่ลงจากว่าที่เอาไปพบกานการบรรยายที่กรุงเทพในคนจำนวนเป็นร้อยเนี่ยได้มาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะแล้วก็จะพยายามสร้างเงื่อนไขให้คนที่เขามีศรัทธาและมีปัญญามีคุณสมบัติได้มีโอกาสได้พบได้ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อย ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายซึ่งช่วงเช้านี้หลวงพ่อจะให้ฝ่ายหญิงได้รายงานก็หลวงพ่อเห็นว่าเวลามันสั้นไม่พอหลวงพ่อขอใช้เวลานี้ไปเพื่อเป็นประโยชน์ที่สูงกว่าก็ขออนุโมทนาสามารถที่จะได้สมาธิฐิตมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายกิเลสอาสวะจากจิตใจของเราในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยคุณทุกท่านทุกคนทืน